น้่นก็มีนะคืออารมณ์นันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีเจ้าของอารมณม์ไม่มีที่เก็บ<ม>ใช่วา่วางก็พูดไม่ได้หรอกรูก้จักไม่พูดเรื่องว่างเรื่องอะไรเลยแม้แต่คำว่าว่างมันก็ไม่ใช่หรอกออะนอกอะว่างก็ยังเป็นสมมติแม้แต่วินมุทนั้นยังเป็นสมมติอยู่เลยสามเกลอ <c oughs> <c oughs> มันเป็นภาษาดิมันเป็นชื่อมันกิฉันโอ้เจอยาก็เคยไดิยิยนาพากอนะไรเนาะฮะทุกอย่างมันมันมันไม่มีอ่ะาพูดถึงก็ส่งรู้กเพราะว่าตำลามันก็ออกกากกายเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ไใหม่ใหม่ท่านก็ไม่มีชื่อนะ ยังไม่มีน้โมทักตัวเลยใิงไงแล้วไปหาพระเจ้าวักคีเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีพระธรรมวินัยสักตัวพระอาหารเกิดขึ้นะนะ้ห ย, ยงเลยจะดที่สามพี่น้นองภาพที่เดียวพันห้าเนี่ยตอนนี้มันทำไมไม่เป็นเหล่ยมเป็นยาเลยเพราะตำลาเพราะความเชื่อเพราะอะไร ก็รู้เยอะฟังเยอะไม่ใช่เรื่องดีนะรู้เยอะๆเนี่ยกงงยากที่ยิงฝั่งลังกองเนี่ยพูดทำมาไม่ได้ก็มีเลยเพราะาหมดรู้เขาแค่รู้หมดหมดแล้วแต่ทั้งรู้ใช่ไหมครูบาอาจารย์รู้ว่าผู้ผู้รู้ทำลายผู้รู้แต่วพวกแกจะเขาไปเป็นผู้รู้เนี่ยมันยุ่ง อยากเข้าไปเป็นมันเข้าไปเป็นปุ๊บเมื่อไหร่มันก็เป็นเจตนาแล้วก็เป็นตัวเราขึ้นมาฮะบางคนไม่รู้จไม่พอมันเกิดตัวมันก็เลยเป็นกรรมอ่ามันก็ได้สะสมตัวเนี้ยนั่นแหละคือการเกิดที่เบร้องทีสุด น, นั้นแหละเขาเรียกว่า ส, สังสารวัฏหรือปฏิจจสมุปบาทอ่าเมื่อเรามีเจตนานั่นแหละเป็นกรรมเพราะว่าพระอริยเจ้าหรือกับพระอรหารถ้าไม่มีตัวเองก็เลยไม่มีเจตนา เลยเรียกว่าปัจจิมาความเป็นกลางที่เห็นเหมือนกันหมดไม่เข้าข้างใครไงมันเข้าข้างก็ได้เพาไม่มีตัวเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่มีจิอะไรนะถ้ามีตัวอย่างแม่งไม่เห็นแก่ตัวต้องขี้โม้เลยเกิดมาตายเลย ตัดสินจกัได้สจริงวะคนเรารู้ไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองเลยซ้ำไปตัวเราเองนี่คือตัวปัญหา มันเราจะไปแก้ปัญหาบางทีเราไม่ไปแก้กหรอเราไปเพิ่มปัญหาฮ้ชอบเก่งนะนะฉันเก่งแล้วฮีโร่ยิงกูอยู่ในป่าของกูดีก็ดีแล้วเนาะเห็ตอนนี้กูก็เลยต้องเพราะมันเสือกไงเสือกมาหลายพบหลายชาติที่เขาเรียกว่าบารมีนี่แหละสำคัญนะ เหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านปรารถนามันก็เลยเกิดมานกรรมก็เลยเยอะยุ่งกับชาวบ้านมาเยอะนัานแหะคำว่าบาลานี้ขนิสัยบาลานี้จริงๆขึ้นนิสัยนิสัยเหมือนหมาก็บาลานี้หมาใช่ไหมล่ะนิสัยเหมือนควายก็เป็นควายล่ะมันไม่ได้ตายแล้วเขาไปเกิดเต้นแล้วเว้ยมันเต้นแตยังไม่ตาย เป็นเชวาดาก็เหมือนกันถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ให้ใายป็นต้อเป็นจตยังไม่ใจนะเป็นเชวาดาเป็นเพียงเพงมัเป็นแั่ไม่ใจนะจะไปดูทำไมดูตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่แิ่งันเพราะนั้นน่ไม่ตไปหาที่อื่นหรอกหาพระอรหันต์หาพระพุทธเจ้าไม่ไอยู่อินเดียอยู่ที่นี่พุทธเจ้า หาที่่ไม่เจอมันจะไกลที่ไหนแม่ลงจากรถใครทำวลลิกาสิทิ์วะให้ห้ามมึงเป็นเฮ้อเนี่ยจะไปถามใครอยู่รู้จักพระสอนอยู่อนาปันสิตากุตตะสรู้อนาปันสิเห็นั้ยวิหาลธรรมของตาโดตเจ้าวิปัสสิทธเจ้าอ่างไรคืออานาปันสิ พี่หาเขาทำอะไรกันที่อยู่ยี่หาเขาทำเขาจะไปไปทำอะไระกันเขาไม่จะเดาอีกแล้วพองค์มาช่วยมึงไม่ได้ทไม่ทมันอยากเป็นนักร้องมึงไปทกดเพลงมหากร้องเพลงมึงไเป็นนกักร้องด้วย ทำใดๆก็ไร้ค่ากาไม่ทำจริงๆลงมือทำก็ทุกคนนั่นแหละนะนั uh ่น huh. แ่ะคือ huh. ท <indi Heck> ี <raham> ่พึ่งจริงๆฮะอย่างอื่นพึ่งเข้าวต้องจต่เราคอยให้ใากำลังใจนั่นแหละช่วยหนุนอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้ แต่กูบางทีกูก็มีนะทาไมลุงเสดหลวงตาประสบผลสาเร็จได้ไวเพรามันต้องมีดีสิจริงไหมต้องมีดีแต่ที่จริงกูมันไม่มีดีหรอกหมดดีก้วยอีบ้าองเดียนะได้มีเหรียญมีศักิสิทธิไร่เสียญไร้ศักดิสิไร้สารด้วย พวกมึงมีขารากันนะทำเป็นจริงเป็นจังไปได้ที่แม่เคยบอกว่าเวลาฟังบทคาถาก็สนาจฟังให้เราเข้าใจสนใจไม่ได้สนใจนี้ไม่สนใจอะไรสอนถูกสอนตรงเกินไปคนโง่กันแล้ไม่ได้แค่ค่ะตอนนี้ไมแน่นอนมันจะเข้าใจเข้าใจได้เราที่รินเราไม่ได้สอนเราพูดเป็นพยานเป็นกำลังใจกติ แต่พวกเราเนั่นแหละคืออาจารย์ของตัวเองจะพาตัวเองออกไ ป, ไปได้ <laughs> ใช้เทคนิคใช้วิธีที่พวกพระเจ้ า, าให้อาวุธแส่สินสมาธิปัญญา <laughs> อีทางเดียวทางอางื่นไม่มีมีเหมือนกันเราเป็นทางตันห <laughs> ลงทางก็เป็นทางเหมือนกันเย <laughs> องคพระเจ้าท่านก็ทามาทุกวิถีทางทำมาทุกอย่างฝึกมาทุกอย่างจริงไหมออกจากความหลงอะไรค่อยรู้เรื่องว่ารู้ที่พวกเราแยตนี้ก็จงไม่เาธีทำอารมณ์นสติทั้งมันเพอะอย่าไปมันนะไม่ทาให้เราหมดใ ก็แค่ดูลมหายใจละมีสติในลมหายใจย น, น, นะจ้าไม่นะท่านมีสติอยู่ลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานเข้าใจไหมแต่ไม่ได้เข้าฌานนะอันนี้เขาเรียกการเจริญฌานหรือทรงฌานนะาาาหรือเรียกว่าลัคนูประเรทศฌาน ถ้าเข้าฌานที่การเพ่งอารมณ์เดียวเข้าไปนะั้งเป็นฌานเขาเรียกอรรมานุเขาไม่ให้ฌานพวกนั้นจะเป็นการลงได้ง่ายฉะนั้นลงได้ง่ายหรืเรียกว่าหินทับยากอะไรไอ้พวกเข า, าเรีย ว, ว่าถ้าเขทําทงานตัมมาบาดแสบนะจังสงสารลกเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นตัวอาณาป น, นสีพระพุทธเจ้าก็ฝึกฌานมาเก่งหมดนะอาจารย์ทั้งหกเลยนะ พอวันเงินจะเดินออกก็มาเขาจะติ่มาดูแลเห็นความคิดเห็นความคิดเสร็จขึ้นเห็นการเชื่อมต่อของปัจจัยสมุปบาทที่อุปทานนะฮ่าฮ่าาลังของสติปัญญาท่านเสร็จปุมอยู่แล้วของการตัดกระแสแวดเดียวเนี่ยมันแค่เชี่ยววนนาทียิ่งก็เชี่ยววินาทีการไปตัดกระแสอุเหงุอุปทาน มันทิ้งประมาทใครไม่ได้ที่เราทํามาทงคนเพียรมาก็เพื่อให้มันถึดจังหวะที่มันบาลานซ์กันแมบกเดียวแค่นั้นเหมือนพระอานนท์เห็นหัวยังไม่ถึงหัวเลยเไมทเพียรอะไรเงี้ยมาทั้งวันก็ไม่ได้ใช่ไหโอ้อานนท์ว่ตั้งานน้อยโองค์พยากรอานนท์ไปไปม่สมนิจังพระพุทธเจ้าเอานนท์น่อานนท์ ไม่มีวัตถนาจะนอนแล้ววะข้อนึ่ว่ายังไม่ถึงหมอนเห็นไหมแว๊เดียวแค่ น, น, นั้นคือมันเราอยากมันเล่นไม่ว่ามันเป็นเจตนาเพรนั้นว่างแหละนเรามีจะเกียบถอยหลังมาเดินหน้าไงไม่จะที่เพราวัตถนากับวิเพราะวัตถนาไงมันเล่ไม่ว่างพอมันว่างปุ๊บมันก็เบิเลยฮะไม่หรกมันไม่ว่างอยากเจตนานั่นเอง แต่เราไปเอาความบ้างเดี๋ยวความงบบสงบเดีสมาธิมันก็ไม่ได้ไอ้ตัวนี้นี่อุ้ยสงบยิ่กว่าอะไรดี อ, อยู่ที่ไหนก็สงบสงบตลอดที่ตลอดชาตินะคประสงสใช่ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นมหาสติ ถึงพม่จาจันยูจบพม่จาจันถะึงเป็นมห า, าสติคือเป็นอนันตริยาสมาธิที่เป็นเชื่อมต่อกันจดเป็ น, อ, ปนอิสิทธิอัตโนมัติเนะคยเคยได้ยินคำว่าทานมาวันล ะ, ละแสนะละแสนตลอดร้อยปีเป็นตายกนะ็ไม่ได้บุญเท่าจิตที่เป็นความสงบท่าเงลับลิ้นเหรอ เพราะนั้นกูถึงรวยนะฮะจริงไหมเอาสมมุติว่าทักกูสงบมาอูตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันจะขนาดไหนจริงไหมล่ะสมมุตินะสมมุติเออขนาดแค่สรบา์ยังมีสมบัติมากกว่ามหาจักรพรรนะรับพระเจ้ากูถึงรวยไงรวยทิศ ทำดีเนาะวันนี้ก็มาถึงการจันทบุรีเนี่ยเนี่ยเลุงตาชอบมากเลยนะเมื่อก่อนเอาเอามงยาคารแบบนี้แหละตาลาลุงกาไม่ออกมันมันมันอยู่แบบธรรมชาติเลลุงตาเป็นคนรักต้นไม้ที่นั่เนใครจะทำไปตัดต้นไม้นี้เน่ยายลุงตาอ้ทำไมทเขามาโนดีโงา มนเนี่ยทำลายธรรมชาติที่แท้ก็ทาลายตัวเองเห็นไหมคนใด่มนุษย์เราทำลายธรรมชาติคือทำลายตัวเองมนุษย์เนี่โง่ทาสงครามที่ไม่มีวันชนะคีอจะเอาซะธรรมชาติอันลงอะมีการมึงจงตายแน่นอนเกิดมาตายอ่ะมึงจะชนะได้ แม่เขาบอกหมอที่ทุกวันนี้เก่งเครื่องมือทันสมัยยาดีอายุคนยืนขึ้นไหมกูถามก็ตอบกูไม่ได้เฮ้ <c oughs> คนสมั ย, าายากยยอยอย่อนใยาเขาไม่ได้คอยเยอะๆนะควานใจคนมีสีมีธรรมอะทุกวันนี้มันมีความถูกเลยมีแต่ความระแวงที่น้องก็จะค้ากัดคอขันอยู่เนะี่ยเพราะสมัยมันเยอะ กูว่ามันเป็นศัตรูกันมากกว่านะขอกูเห็นยากกลัวไอ้กินข้าวเรื่อยๆมันจะวางยาพิษเหรอกลัวไอ้พ่อบางคนเขารวยมากเขามีมูลหลวงกาไปเพื่จะไปคุยกับลูกเขาบางคนก็มันเยอะไปมันเยอะไป คุยกันลําบากก็เลยเอาลุงตาไปคุยบางทีน ะ, ะบางทีก็มีลูกชายคนเดียวเนี่ยสมบัติเยอะลูกชายก็อยากไปบวชจำยอมพ่อกำลังไม่ได้นี่นี น, นก็เลยนมนมลกูไปกินข้าวที่บ้านเพราะลูกชายมันจะไปบวชอยากให้กูพูดว่าอะไรเขามีจะเคียนให้กูพูดัม่บวชก็บรรู้ทรรได้เพราะา น, นี้พูดอย่างนี้นะวะ สายจิตชินบนกูเรไม่ินบนอกมันก็จริงไม่บอก็รทได้สมัยก่อนยังไม่มีได้บ่นเาลิบุตรก็เห็นไหมถ้าจริงสพี่น้องก็รรลุทํา่อนพูดเลยสมัยนันจะเกิดเป็นโยอยู่ไหมล่ะแตสมัยนี้มันโอ้โหต้องมีห้าสิบภาษาเขาจะเป็นหัน ใบางคนต้องขั่รถเข็นกหรือบางคนก็ใจของเขาไม่เป็นต้องไปเผากระดูกเป็นแก้วเยมันก็จันหลมีศาสนาพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะเป็นไม่เป็นก็ตามนะอย่าไปสนใจเลยสนใจอานาตัสติเนาะ ขาดสติก็ขาดความเพียถ้ารจงกรมการขาดถ้าไม่มีสติก็ไม่มีความหมายหรอกสติสติสตินะสติสติสติกัรลนขึ้นเถอะสตนไม่ต้องเป็นอะไรอ่ะดิเป็นอะไรก็ทุกข์ะหลวงจาก็มาให้กำลังใจนะ สาถานที่ตรงนี้อ้อาจจย์ัหมอนกันนะใช่อัจจะัดอยู่ก็ได้แตมาดชอบกอืมถ้กูไปชอบว่ากูเอาเลยฮฮ่ยฮฮ่ไปกูมาต้องวุ่นวายเน่ต้องขยายต้องต้องต้องใหญ่60่กสิบไล่ไม่พอแ่สิลองหลงกามาอยู่ทั้งนี้สิบวันลองดู เก่งเลยะนนะเออ่จะหายหมดเลยคะจะเกิดประโยชน์มากนะต้เจียใหญ่ทัันใหญ่อาจจะชื่นเลยนะคะใช่ประโยชน์มากเลยนะเห็นด้วยนะควเนี่ยช่คยลงทุนด้วยนะช่วยมีเาเป็นนักลงทุนนะ เพราะการเป็นนักลงคุนตอนนี้เป็นนักลงทุ น, น, น, น, นล ง, น ย, ลงนยังมหาศาลเลยค่เคือดควาง่งหมายลงทุนอมันตาแลอะไรจะเยทงดได้ในโนีคือลงทนมากเลยลงยเพื่อศาสน า, ส า, นาคนนี้จะที่ศาสนา ชัดเจนลูการชัดเจนมาแล้หรอไม่มีทางอื่นลูนะจกจะต้องออกมาไงลูกเยอะขึ้นเพิ่มขนะึ้นแค่สามปีนะนี่ยังมากรบษาปีคุณต้องส่งร้ อ, รอยกว่านะแล้วก็มีแต่หิบัติ โอ้ก I mean. ูเนี่ยไม่หน um ่นะถวาวไวไปเลยเนี่ยเออัเต็มที่เลยใช่ใั่แล้วเราก็ทำประโยชน์ที่ตอนนี้กูก็มาอยากมาคุยเรื่องใครเสียใหญ่อย่างเงี้ยมลนมีกัรเนี้ยมันงการจะทำสั้างคองทุนเลยเป็นปี ไม่ต้องเนตอนนี้ได้จัดนั่นมาแล้วจัดบ้านะไระนี่ยตอนนั้นล้วเข้าให้เดือนละสองแสนคือปี่งสองสอง้านสี่แต่ลงตาอยากได้อยู่อ่ปีหนึ่งอยากอยากได้สักอได้เดือนละล้านต่อเดือนเพราะว่ามันจะทางานเนี บุคอ า, าการได้ไดีก่ได้ได้ได้ร้านปรเซ็นต์เลยครูมันงั้นกูไม่ออกมาขนาดนี้หรอกคือเราอยากไปเห็นชาวบ้านเขาอะที่เขาเคยใส่บาตรให้เราตอนเราเนี่ยเราไปเห็นเขาญาตินเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไป็นด้วโอกาสแล้วผู้ไม่มีโอกาสเลยเราเรียกว่าผู้น่มีโอกาส เราก็เลยไปเห็นเขาลูกหลานเขาะที่อยู่อาศัยเขาประมาณเราก็เลยเออเราไม่ได้ทําในวัดหรอกเงินสํานวนนี้เอาจะสร้างกองเป็นกองทุนเพื่อจะช่วย เ, เหลือพวกที่อไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรไม่มีข้าวกินอะไระเราลมกลารลมการก็ทกํามาตลอดนะ ใช่แ่กคุณการศึกษาเด็กอาทิตย์ละสาร้อยสองคนทุกอาทิตย์เงี้ยเงี้ยเงี้ยหลวงการก็อ่ามีมีมีกองคุณไว้พวกเราเนี่ยในครอบครัวนึ่พ่อแม่ลูกเขามีลูกสัก5าคนรายได้เขาปีละสี่หเห่นใช่ไหม ออย่างเทียอย่างเงี้ยรถยิงเข้าร้านล้านใ่ไฟก็ไม่ตึงจริงไหมล่ะใช่แค่คนนี่สิเห็นไ้กูถึงจะเป็นโรบินฮูดเข้ามาวันนีกูเอาปืนมาด้วยอ่าก็จบก็จบไม่ยากหรอกสำหรับกาเชื่อมันไม่ยากเลย นีเป็นทีแรกที่ลูกตาคิดออกมานะคาดออกมาเพราะว่าวันนั้นไปที่อะไรนะพุทธพุนไม่เห็นเล่า ค, คนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินอะไรประมาณนี้ลูกจาก็เลยให้พวกกรกตมาคำนวณแต่ว่าจะ บ้านหลังนี้ก็ทำเสร็จหมดใช้เงินเท่าไหร่วันีเขาบอกหกมืนกว่าเจ็ดหมืนเนาะลวกชาเลยให้ไวเสจเยใช่ใช่จะเรียกว่าสามีอะไรกัว่าจริงๆกูไม่เรียกสามีเรากลนะหลายหลายเยอะเยอะ จาไปอยู i i, ่ในหน้างานเนาะในการจีบมันก็เลยมันสะท้อนอะถ้าองค์ไหนไม่ทำกูจะทำอยูนใช่จะทำแต่เรื่องกติลุงตาไม่มีปัญหาเพราะว่าทาอีกสักห้าสิบหกสิบหลังก็พ ใช่ที่วัดนะวัดตาบ่อน้ำประดิเีนี่เศรษีนี่เต็นที่สูงแล้วทนี้่ยมืองไหนนใช่ใช่มึงมึงชื่ไม่กูหาน้าได้อะมึงใช่ไหเออบนเขากูหาน้ำกูใช้ขมือต้องเก็บตัวแวก่อจะได้ใช้น้ำทําุรกิจเสียทางไงน่ะจอดลงโอ้แล้วใช่ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ง่ายแต่ว่า มันมันจ ะ, ะดีสำหรับนักปฏิบัติเราจ้อยู่คนเดียวใครอยากที่อยู่ที่เร้นรับมันก็มีเก็บเก็บตัวเลยเป็นเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเราก็มีข้าส่งแบบกรรมาฐานแักตูล น, นะเอาให้จริงเถอะอย่างเงี้ยนะแพรก็คัดออกไปเเลยนะเรียกผู้ใบแพ่เออออแต่ว่าคนที่ตั้งใจอ็เดินทางได้ถึงที่สุดได้ หลงตาถึงว่าวัดตาบ่อน้ำพี่อินเนี่ยนะหลงตาไม่เห น, เนื่อยเยเห็นแต่ละคนนะเห็นหน่อไข้นะก่อนนี้จะยิ่งอย่างเงี้ยวันนี้ก็พระก็เข้าไปเยอะไม่ชี้ก็เนี่ยรอห ล, ลงกากลับไปว <laughs> เชาก็บวชสามนะี่ะ การแล้วบวชไปเชืออย่างเงี้ยเพราะว่าหลวงตาเนี่ยบวชให้ฟรีหมดภาคก็ฟรีนะอเครื่องบริษัทฟรีหมดหลวงตาบวชเป็นร้อยองค์หลวงตาก็รับดุสภาพได้นะนักงคัดสมาบุญแล้วว่าเดียรครับก็ได้แล้ววจะเดียรมาทางหลวงตาแล้วมันก็ต่อยนะฮะนั่นนานทีแล้วได้ต่อยต่ีอไอย่างเง้ อะฮะแ่าฮ่มีใครบัางอ่านอะไรเราะเขาเขาแค่เขาอวันทีเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินคนอย่างกูไปเรียกอีอ่กูเรียกอีนี่อีเนมันไม่เคยได้ยินไม่ใชครกล้ามันไม่้เรื่องแต่มันบกูอุ้ยใจมากฮะฮะไม่ใช่กล้าหรอมันเป็นอย่างนี้ ฮะฮะมึงกูไม่ได้ก้าหารหรอกกูพูดเรื่องจิงไงฮะมันเป็นเพราะฉันดานกูนี่แหละกูไม่ได้โทษใครหรอกนะนะกูถึงบอกว่ากูไม่ได้สาสยายคำกูเรี่ยงเลี่ยงสนธนาคำมากกว่านี่อะไรก็ถามอย่างเงี้ยเราคุยกันเหมือนกัลยาณนี้เลื่อหนุนกัญญาณนิ้หมายถึงว่าเลื่อนหนุนชุนทะนุน เราจะเข้าใจเราจะเข้าสิงกันมากกว่าเราสิงยากันดีกว่าใช่ใช่ใช่หลวงตาเขาว่าเอ้ยหลวงตาเนี่ยเขาหาญาตไม่มีเลยไม่มีเห็นกวันไหนวันแรกเห็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละกว่าจะแก่แต่ว่านี้ใจกูก็เหมือนเดิม แค่ๆกูจะเป็นข้าของขาวอ้วนๆมงเ็กสมบูรนันแมาาเ็กสมูรณ์อินท่กมานลงกุงแบบปกเดือนลูกศิษอ่ะในทุ่นี่เดียลงบาจะพอบอมอะไรขังๆนะในกูคนเดียวที่ไม่ขังกูปล่อยกันเีเราะะั้ทำมาจริงๆ นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกเราถูกขังด้วยประเพณีด้วยความเชื่อเห็น ไ, ไหมไม่วัจนานธรรมอ่ะแต่เนี่นแท้ธรรมะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราไม่ยอมรับเห็น <c oughs> ไ, ไหมหลวงตาเคยพูดว่าเมื่อสังคมมนุษย์ห่างออกจากความจริงมากเท่าไหร่คนที่พูดความจริงก็จะโดนรังเสียจมากขาึ้น มันเป็นอะไรที่เป็นกฎแหงธรรมชาติเลยมนุษย์เนี่ยโอ้นยที่ขาดสิ่งขาดคำมันจะอยู่กันยังไงฮะต่อไปลูกหลานจะอยู่กันยังไงตอนนี้พาะก็ผปลูกฝา่ายเองโอ้อยนี่ยจะไปเดินทุดงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะเดินไปไหนก็มีแต่สวนมีแตะลัวคนนะแล้วเขาฟ้อง ต้ไปเดินตามถนนนะเนี้ยโวยรถก็ชนตายลกจรไหเดินแล้วก็เซลพี่ไปด้วยตลกเลยนะกัว่านะขนาดเมื่อก่อนนะกูเดินในะยามคืนเะนี่ยกูไม่คนเห็นนะไปเข้าบ้านด้ว ย, ยมึงเห็นไะด้สารพัดเราไปทากูคนเห็นไงแนละ้วมันก็มาคุยแล้วเอ้อนั้นมาถวายอันี้มาถวายแล้วมึงจะหอบอะไรไปจริงไหม แค่เทียนสิเรื่องมึงต้องโยนข้างทแล้วมันหนักไปเรื่อยๆอย่างน่ะเร่งกับกรรมฐานเป็นไงนะยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจริงไหมล่ะทุกวันนี้มันสะสมมันอะไรกป็นไงนะพระอย่างหลวงกาญมันเป็นพระที่ไม่คอยมีสมบัติอ่ะุตสิก็มันเคยปิดปล่อยไว้คือมันมีเจ้าของไงนะก็เลยสบาย เราอไม่ยเป็นไม่มีอะไรีาหมยพูดขนาดนั้นเลยโอ้แม่มาแต่งข้างกูอีกเราไม่มีได้ยังไงนั่งคูดผู้อยู่มีครบทุกอย่างแหละไม่เราอย่าไปพูดถึงเรื่องจิตเลยลุงตาเกิดมากจะไม่เคยพูดเลยอ่าเรามาตกกันเรื่องจิตนะฮะอ้า ร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยประกอบด้วยอะไรอะ่ะประกอบด้วยขันห้าอ่ะอ่ะถ้าประกอบด้วยขันห้าพระพุทธเจาเ้าย่อลงมาเหลือลูกกับ น, นามรูป ก, ก็คือนั่งอยู่เนี่ยจริงไหมอ่ะลูกนามก็คือสีขันเนี่ยหรือเรียกว่าจิตหรือสมมุติว่าจิตก็ได้ฮะอ้ะอาแวแล้วเราทำยังไงแล้วสติมันยังไง เนื้อเมื่อเรมีรูปกับนามงี้ยก็ะะทำไมต้องมีหลายอย่างเกิดขึ้นเเพราะนั้นตัวสติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอาสี่ขันเนี่ยเป็นจิตเนาะแต่ทีเนี้ยเราอาศัยกายคือลมนะหมายถึงแยกแล้ ว, ว่าเอาจิตที่ว่าเป็นเราเนี่ยเอามาไว้กับลมเราก็จะเห็นทำ ง, งานการทำงานของขัน สัญญานี่ลูกเวชนาฮะตัวสัญญาสำคัญที่สุดเลยะอ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีอ่าเวชนาอ่าตัวสําคัญมันคือไอตัวสัญญาฮถ้าไม่มีสัญญาบอกว่าทุกขปทุกอะไรเงี้ยมันก็ปุงไม่ได้เหนี่คือระบบรำงานของขายห้าจริงไหมล่ะทีเนี้ยพพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เอาจิหรือเอาสติไว้ในลมหายใจเราก็จะเห็นอ่าอ่าก็เมื่อก่อนเราว่าเป็นเราใช่ไหมความคิดนี่เป็นเราแต่ต่อนถ้าเราเาขาเรียกว่าจิตตสังขารถ้าเราแยกออกมาไปกับลมมันก็เป็นเพียงสังขารเห็นไหมอ่าเราก็จะเห็นว่าความคิดมันเ ก, เ, กเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองเราไม่ได้คิดใช่ไหมนี่คือระบบที่พระพุทธเจ้าสอนที่แยกออกมาก่อนต่อไปความคิดก็จะเป็นผู้ถูกรู้ เม่อก่เราว่าเราคิดต่อไปมันคิดอไรดนี่ยแค่เนี้เห็นไหแค่เอาสติมาอยู่ในฐานไปทีเนี้ยไอเรานี่มันนี่มันอยู่ไม่ได้นานมันก็ไปอยู่กับความคิดซะฟุ้งไปฉลออะไรดิเหรอเห็นไหล่ะถ้าเรามาอยู่กับลมเนี่ยเราก็จเจ๋งเนาะมันคิดผุดปานเกิดดำเกิดดำอยู่ทีแม่ไม่ได้เห็นอย่างเดียวเราเกิดแบบเห็นความคิดเลยน่ะ นะแล้วเมื่อความคิดไม่เกิดไม่ดับล่ะไม่เกิดมันก็ไม่ดับถ้าคุณเห็นการไม่เกิดถ้าเกิดเดมันต้องดับเห็นไหมมีเหตุมันยังมีผลแต่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลทีนี้กลับมาดูอยู่กับผู้รู้จีผู้รู้เนี่ยก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่เราเห็นนะเพราะว่ามันขาดเรกี่ยนซนี้ละมันก็เหลือเศษแต่ว่ารู้มันก็รู้ไว้จำเาธรรมชาติของมันนะแค่นี้ เล้วทำไมต้องมีมากมายเลยล่ะใช่ข้อมูลพวกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมแต่ผู้รู้จริงๆคือผู้อยู่ตรงนี้อยู่ในรูปนี้นะแม้แต่เวทน า, าสุขทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นผิดผ่านไปบ่านมายิง่งแต่จริงไหมเราก็ไปไปยึดเอาสักสุขก็เอาสุขซะที่จริงมันไม่หรอ เฮ้ยมึงอย่างนีจากกูนะสุกไปแล้วมันก็หนีจิงนะทุกเหมือนกันมึงอย่าหายแล้วมันก็สลายไปแล้วเ้าเรียกอะไนี่จยางไม่เชื่อเห็นใจแล้วก็เห็นอย่างนี้ฮะมันไม่เห็นอย่างอื่นหรอกฮะออารมณ์มันก็เป็นแค่อารมณ์เป็นแค่เวทนานะแม้แต่สมาธิความสงบมันก็เป็นแค่เวทนาไปเป็นอทุกขับมาทุกขะไม่สุกไม่จุกจริงนะเป็นอุบิขาไปแต่ภาวะมันก็เป็นจริงแค่นั้น ใมันก็ไม่มีอะไรมากมายรือเป็นเรื่องของคนรื่เเรื่องของครูแล้วจรมเรคนจะเป็นเรื่องราวใหญ่ใช่เพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีคนเกิดต้องมีคน เคนแก่คนตายใช่ไหมเร่งคือภาษาคนใครก็รู้ใครก็เห็นใช่ไหมแต่ภาษาธรรมไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายเลอะไรนะอ๋อง๋นี่เครืองส้างกูอยู่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตัวนี้ตัวนี้มันเข้าใหม่ตัวนี้ <c oughs> อืมอืมอืมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก ไ, ไม่ต้องเอามาลงจาก็ได้อะไรอ่ะโอ้อันนี้บริการดีจังคือเมื่อคืนเนี้ยนั่งคุยกับแบบเนี้ยเกือบหกพุ่มอคือไม่อิ่นกันนล้วมาคุยกันแบบเพื่อนอ่ะ ธรรมะามันไม่ใช่ของพระนะมันไม่ใช่ของเชนนะมันเป็นของคนฮะมันเป็นของเรื่องการใช้ชีวิตอถ้าคนใช้ชีวิตตัวเนี่ยเพราะว่ามันมีสติไหมมีสติมันจะมีน้อยฮถ้าไม่มีสติก็เป็นบ้าเรื่อเสียสติจริงไหม <Okay. S 1> แต่ทีเนี้ยเราต้องเจริญสติส ต, สติมันเป็นเบ็ด มันคุกว่าเนี่มันไม่มีเบรกไอ้แม่พ่อก็ขาดสติมันก็ชนกันมั่วยช่ไหมคนเราฮะล้ม ต, ตาเพราว่าความคิดเนี่ยหรือสังขารเนี่ยเปียบเหมือนรถวิ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงไหมแต่สติเราเนี่วิ่งยี่สิบเอง <c oughs> เฮียถ้าจะเลยตอนเนี้ยเหยียบคันเร่งหน่อยไว้ร้อยยี่สิบเหมือนกันมันก็จะเห็นกัน ฮะเขาเรียกว่าจิตในจิตหรจิตเห็นจิตกันแลน่ทีนี้มันก็จะ้องกันลนั่นหะสคามโลกเกิฮะฮะทเรเลยฮะฮะเรียกว่าสติฮะรงนั้นแหละมึงแเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฮะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ เพราะเห็นความเป็นจริงไงอะทีนี้มันก็จะเห็นว่าโอ้ไอ <c oughs> ความคิดเนี่จอมหลอกลวงจอมลวงโลก <c oughs> ตัวเรานี่ยแหละเที่ว่าเป็นเราเป็นเขาก็เพราะไอตัวเนี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะแต่ละเยอะคำภาษาคำภาษาบาลีเขาเรียกอภินยายะอภินยายะเห็น รู้ <ranks greatness> ิ <Mind late often> ่งรู้ิงฮ่าฮ่่ฮะถ้าให้เลยตัวอภิญยายาไปเนี่ยก็เป็นสัมโพธายะหรือโพธิญารู้พร้อมพรู้พร้อมแล้วมันเกิดไม่ได้มันก็เป็นนิพพานอะไระงายแคนี้เอามันไม่เกิดมันจะไม่บลับเลยนเห้ก็คือเจตสิกนี่แหละว่าเกิดสัมโพธายะเป็นตัวพุทธะ มันคุ้มหมดมันเร็วกว่าทีเนี้ยใช่ค่ ะ, ะสติเร็วกว่าความคิดเร็วกว่าทุกอย่างมักเป็นมหาสติแล้วแหละไม็จบแล้ะ <c oughs> ไม่มีเรื่องไม่เลาอะไรนะฮะ้จริงไหมนั่นทีนี้โอ้ยมุ่งก็เป็นคนฉิงชิบจริงๆนั่งหัวเราะอยู่คนเดียว โอ้โหอย่างนี้เห็นอะไรล่ะทีเนี้ความงงตัวเองเอามือปิดตาแล้วล่ะขำานุกด้วยเองเป็นจริงเป็นจังไปได้ยังไงล่ะนั่นแหละเห็นอย่างนั้นแหละนะเพราะจากนั้นทีนี้ก็ไม่มีไม่มีการเจิดการตายเกิดขึ้นอีกแล้วท่านจะเห็นการไม่เกิดแม้ท่านพึสประกาศว่าคงไม่เกิดอีกแล้วกระจายเลยวันนี้ไม่เห็นอย่างอื่นหรอก ก็ไม่เห็นความฟุงแฟ่องแล้วเรียกว่านิสังขารหรือนสังกสารนั่เองหรือเรียกว่านิทานก็ได้แล้วจะติดตั้งชื่อไปนะถ้มีใช่นี้นะนี่คือพระสัธรรมที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้พวกเรานะไม่มีของขังไม่มีอะไรหรอกนะพุทธศาสตร์มไม่ใช่ไสยศาสตร์เลยไ <laughs> สยศาสตร์สยะไปว่าหลับ พุทธศาสต์ศปาสเป็นศาสตร์ของผู้สื่อ อ, อย่างนี้เขาพูดว่าพุทธศิลป์ที่จริงไม่ใช่พุทธศิลป์พุทธศิลป์เป็นศิละปะของการดับทุกอันนี้เป็นศิละปะของคนธรรมดาเอ๋ยังไงพุทธศิลป์มันอยู่ในนี้อะไรคนนั่คือศาสนาไม่อย่างอื่นนะ ถ้าจิตคนเสื่อมใจคนเสื่อมนั่นแหะศาสนาเสื่มเชื่อมจากศีลจากรรมเพราะงั้นคนนี่แหละคือโลกมันก็มันจะไม่คยขาดกูเลยมันมันเลใช่ใช่โอ้ไม่มีฝ่ายค้านมันจะฝ่ายรัฐบาลมันก็ไม่ดีเลยโอ้นี่แหละเลเขาเรียกว่ามัน แบบนี้ไม่มันเลยต้องเคนขาดนแล้วถามทั้งบ้านยนะครับเอาเอาว่ามาจากท่านแรกนะครับคุณนริชักนักาการหลวงตาลุกวนเทศเรื่องพระอริยะแต่ละขั้นหน่อยว่าจะไปอยู่ที่ใดบรรลุธรรมอยู่อนาคตมีอยู่หลวงตาไม่รู้แบบว่ามันเป็นขั้นไหนระยะสั้นหรืออะไรอย่างยี้ยยยมยมายยยาให้หยงยาพูดถึงพัยยยดยยย พระโสบันนี่ลูการเรียกว่าเข้าสูกษาแสนิพานหรือเป็นออโต้หรือเป็นโลกุตระทัมพระโตบันเป็นโลกุตระทำแล้วไม่มีทางเสือ่อมทาไมึงเรียกว่าโลกุตระโลกุตระนี่คือไม่เสื่อมเพราะไม่ได้ทำมันไปนเองแล้วโสดาบันก็ไปเองนะแต่ยังไม่เสถียรแค่นั้นยังกระท้อนกระแทกอยู่ยังเสพการะอยู่ยังอยา ก, ยากรวยอยู่พออยเพราะอากมาทำบุญอยากมาสร้างบารมี นี่คืโสดาบาันถ้าเลยจากนี่เป็นสกิทาเนียก็นิดเดียวยังเกิดการได้อยู่แต่ว่าถ้าทีลสมาธิปัญญาลึสติเพิ่มกำลังทวีคูณขึ้นขณะพระอนาคามีทำไมไม่มีการคือมันดับอารมณ์พวกนี้สิ้นไปเลยเพราะว่าสมาธิหรืออย่าลืมนะพระอนาคามี น, นี่แทบแยกไม่ออกว่าเป็นพระอรหันต์หรืออนาคามี ข้อสี่สมาธิเรียกว่าอานันตริยาสมาธิที่พุทธเจ้าพูดมหมายถึงเชื่อมเหมือนสายน้ําเป็นมหาสติแต่ยังดับอาจารยไม่ได้ดับตัวนส่วนไม่ได้ยังว่าตัวเองเสมอตงคนอื่นเสมอตอนคนอื่นสูงกว่าตนคนอื่น ต, ต่ำกว่าตนนี่คือเป็นมันยังมีมันาน้าอยู่เห็นไหมแต่ราคะไม่มีในคะแนนพระนารายณ์ไม่รู้จักเลยน่นแะและ้วแล้วก็ไม่นานบางทีเนี่ย ไม่ใช่พระอรหันย์เกิดเกิดชาไม่ใช่อไหมพระอรหันย์พระรับาดสำหรับหลวงตาอนอาจจะเป็นศาสนาสิทธิ์ไม่าสาิทธิ์เยจำไปทราว่าอรหันต์เออเอรรบาดเก็ดาติดชาพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดนะพระพุทธเจ้าพูดว่าภูเขาสุมเมรุราชใหญ่ขนาดไหนนั่นละพวกชาเหลือเกิดเข้าจอมผนั่นคือพระ เพราะโซลาร์บอลอาจจะบรรลุทำทั่วขนาดนก็ได้ไม่ใช่ทิตเกิดอาจจะตอนใกล้ตายก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้เลยถ้าพอรหันต์เกิดเจ็าตายก็เป็นชาติมนุษย์อ๋อมันก็เป็นผีโรบอลมก็เป็นโซลบ่นในท้องก็อยู่ในตรามันไม่หลอกตำรามันบางทีนะไม่รู้มันเป็นไงกูก็เกิดไม่ทนันนะนะตารเียน จริไหมัม้นหลายพันทีมาแล้วแต่ไม่ได้หมายเพาะว่าเราไปเราไ ป, าไปขัดแย้งอะไรหรอกอแต่ความเป็นจริงมันจะอย่างไรโลกุตละหรือทำไมถึงไม่เสื่อคือไม่ได้ทําโลกียะหมายถึงเราต้องทําขึ้นก่อนเหมือนชานเนี่ยเราต้องเข้าชานก่อนถ้าเราไม่ทําขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนั่นเรียกว่าโลกียะถ้าโลกุตละไม่ได้ทํามันเองคือเป็นโอัตโนมัติแล้วมันเลยไม่เสืนะ่อมไง ไม่ได้เสื่อมได้ไงเราไม่ได้ทำม อ, อย่าลืมว่าเกิดจากสูนี่คือตัวสตินี่คข่งอยู่ตลอดแล้วสระบนี้มีกำลังแล้วไม่ออกจากนี่เลยนะอย่าลืมวนะ่กิริยาข้างนอกนี่เป็นอย่างหนึ่งแะภายในยเป็นอย่างหนึ่งนะ เขาเรียกเกิดจากสูตรแม่ชี้พระพุทธเจ้าบอกคนทั่เกิดจากสูแล้วเรารู้เรื่อหรอนี่คือสดบัคือจ้องละเห็ละอวียาอาวียแปลว่าขั้นสุดแปลว่าศัตรูญาติแปลว่ารู้รู้เหตุแล้วรู้แล้วหออรอรู้แล้วหอรวหอ ถ้าเราทำนี่อ้สมาธิกับถ้าเราทำนี่เข้ากับเตลิสเดินพระวจนะถึงสัจจสรเรียกว่าอนันตรยสมาธิอนันต์ก็แปลว่าเชื่อมละไม่ขาดตอนละเห็นไหมพระเราทำนี่อาจจะเห็นไหมอานิสงส์ของอนาปารติที่มีสามเลอะอานิสงส์นะของอนาหมายถึงใครฝึกอนาปารติมีอานิสงส์ห ได้เป็นดางน้อยเลยได้ได้เป็นพระอาณาคามีดังกลางเนี่ยได้เป็นพระอาหารหันต์ตอนใกล้ตายอย่างมากเลยเป็นพระอาหารหันต์ตอนมีชีวิแตแล้วทำไมไม่ไม่ฝึกอนาปณุติไม่สงสัยเรื่องอะไรหรือพวกเนี่ยอ๋อหลวงตาครับคือสตาร์ที่อาณาคารึเครับเฮ้ยบางคนเป็นพระอาหารหันต์เลไม่ต้องเป็นคารมันก็มี แม่มวยไพรเจอไอ้เมื่อคือดูลมหายใจนี้มันตัดพบกับดาติทิ้งหมดเลยโอ้ยบางคนนี่ไม่รู้จักโทรศัพท์ไปผัสหานแล้วก็มีเพราะนั่มันเลยไปไล่ลำดับอยู่มันไม่ไหวหรอกไล่ลำดับมันไม่เหมือเรียนนะเว้ยไม่ใช่ป่ะปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทอย่างนั้นไม่ใช่บางคนก็ปริญญาสึ่มเลย ตั้งที่เดียวมาลูกเป็นทหารอะไรก็มีเห็นแม่พระใส่จ้ะพระจ่าเรียนบุตรพะพ่ครับนะแต่ว่าทุกอย่างที่กาอย่างอื่นที่เป็นชานที่มีกําลังก็เ ร, งเรียกวันชั่นบรรยกากาศลูกเล่นหรือผลพลอยได้ไม่ได้ฝึกหรอกมันเป็นเองพวกนั้นก็เป็นเป็นอนิสงส์ที่ตัวเองสร้างไว้อาจจะเป็นลวดสีเก่ามันมันมั น, มนพอมั น, มนบุกเข้าไปมันบุ้นเลยฮะมันมีเก่สมัยเป็นของเก่านั่นแหละเขาเรียก ของทำร่วยของตัวเองแค้ๆเหมือนพระอานนท์ตนไปสราบาลไม่มีวเลยเห็นมแต่พอุบ ม, มาทำไมเป็นล่ะนี่แหละได้ฝึกซะหน่อยเพระอหาังีกพวกเห็นไ ม, มีเโจโต้มีชนะจนตีเนี่ยนีโโ้เจโก้ยเห็นมมันไม่ดเกี่ยวกับพวกนี้เลยนะเป็นพระอหารฮ อย่าลืมว่าแสงสว่างเสมอด้วยสัญญามันี้นะไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าชานเล็กๆเลยเลยห็นไหมแค่อยู่กับอาาานสติแค่นี้สติอยู่อาศัยแค่กำลังของสมาธิของฌาเนเพื่อเป็นบาทฐานของวิปัสสนาแค่นั้นนะเนี่ย สติเนี่ยเปรียบเหมือนหลอดไฟเนี่ยปัญญาคือแสงของหลอดไฟถ้าไม่มีหลอดไฟมันก็ไม่มีแสงเพราะฉะนั้นสติมันก็ต้องต้องเห็นเจริญสติเห็นแต่แเราเก็สติไในฐานตรนีน้สติกับจิตก็จะเดียวกันเห็นการทิ่ว่ารวมจิตรวมก็หมายถึงสีสมาธิปัญญากับจิตก็คือจิอันเดียวกันเป็นอันเดียวกัน เราเรียกว่าเอคตาหรือว่าเียกว่าหนึ่งก็ได้หรือว่าสัจจาก็ได้สัจจ์แปลว่าอันเดียวไม่มีสองอีกแล้วสมวติคนปกติมีสองไม่ทุกไม่สัจจอพุทโธเนี่ยไม่ไม่รู้เลยว่าสติคือสติแต่มาดำเนินอานาปานสติานี้เห็นชัดเลยว่ามันคือสติเดียวกันมันอันเดียวกันเพราะว่าใช่ก็รู้ก็คือตัวนี้แหละ รู้สึกเนี่ยรู้เฉยเนี่ยรู้ในลมแล้ว嘛แล้วเราก็จะเห็นว่ามันฝุดขึ้นถ้ามีกําลังมากๆเนี่ยทํำไมมันถึงหยุดได้รู้ไหมเพราะว่ากําลังของชาเนี่ยมันจะแฝกไปในทุกอนูเลยนะทีนี้ยมันก็ทําให้หัวเราตึงๆมันเริ่มเข้าทําปฏิกิริยาต่อสมองกับเส้นประสาทหรอกอ่าเห็นไหมทำให้เราถ้ามันตึงมากเราจะคิดอะไรไม่ได้เลยเห็นไหม แต่ว่าเราจะบแล้ว อ, อกเราก็จะบแน่นๆหน่อยใช่ ห, หายใจก็กระั้นกระชั้นแล้วทีเนี้ยถ้าฝึกจนผ่านพวกนี้ได้เรียนรู้พวกนี้ได้ใช่ไอ่ะทีเนี้ยนั่งอย่างงี้ก็นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามียาชาส่วนตัวแต่แตาาก็จะรับรู้ที่ว่าพลังางานทั้งในรุดซุดอยู่คือม่ค่อยหลงกาโอ้ยมึงไม่ต้องห่วงหองอรอกเฉพาะตนเละแหมบ้างอ่ ะ, อ ะ, ะม่เจโตสาร ที่เขาเรียกว่า a b c d ใช่ไหมบางคนก็เก็ต a หรือเขาเรียกว่าตัวท top โลเคีย <laughs> มอ่ะอ่ะอ่ะอาเจียจะเป็นตัวไหนวะเท <laughs> ียนตั <laughs> วแต่ละคนมีบารมีมาเต็มแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่กับอาณาก็ ทะลุเลออยเ ง, ง้ยอยเอาไปเจอเอาไปเอปเ อ, อยไทะลุลเลยนะลุปกติน่ะทุกคนวันนี้มันไม่ปกติมันเลยไปหมดถ้าทำถ้ามันปกติมันเป็นธรรมดานี่ยแหละความธรรมดาแหละมันไม่ธรรมดาเนา ะ, อะเอาแล้วน็อวันนี้ <c oughs> พอแล้วไม่ต้องอะไรนะ